อันนี้เป็นโทษของความทุศีนข้อที่หนึ่งสำหรับทุศีนข้อที่สองที่บอกว่าโทษของความทุศีนข้อที่สองก็คือกิติศัพท์อันชั่วก็คือชื่อเสียงที่ชั่วนะมายก็ว่ามีชื่อด้านเลวขึ้นหน้าหนึ่งตลอดอย่างเงี้ยนะก็คือด้านเลวกระจายออกไปเรียกว่ากิติศัพท์ก็คือชื่อเสียงอันชั่วย่อมอื้อเฉาไปในท่ามกลางบริษัทสี่ว่าของคารวานะว่าคนโน้นเกิดในตระกูลโน้นทุศีนมีบา ป, ประธรรม เขาเนสละสละความเจริญทั้งโลกนี้สละความเจริญทั้งโลกหน้าเพราะนัเขาไม่ให้ทานเขาไม่รักษาศีลไม่ทําคุณงามความดีเกิดมาพลานบุญเก่าสัเกเลี่ยงเกิดมาเผาบุญเก่านะทำลายบุญเก่าถ้าเขาหมดบุญแล้วจะไปไหนเนาเนี่ยนะมันบัณฑิตทั้งหลายเขาก็ปราลบได้แต่สลดสังเวชเนี่ยนะขอเราอย่าได้เป็นเช่นนั้นเลยเหมือกันถ้าสําหรับบรรดาชีต ท, ที่ทุศีลชื่อชั่วทั้งหลายกิติศัพท์อันชั่ว ก็ฟุ้งขจอรอนี่นะมันก็ว่าโชยกลิ่นเหม็นตลบอบอวนไปหมดว่าภิกษุชื่อโน้เนี่ยไม่สามารถจะรักษาศีลได้ไม่สามารถจะเรียนพระพุทธพจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าได้เลี้ยงชีวิตด้วยอเนสนากรรมเช่นประจบคฤหัดเป็นต้นเนี่ยนะก็ใช้ลาบต่อลาบหรืออ่เป็นทำหมอเป็นต้นเนี่ยนะถ้าป่กลายเป็นว่าไปประกอบอาชีพหมอดารงอยู่ในอคารวะหกพระพุทธเจ้าเขา เป็นผู้ที่บริโภคปัจจัย4ี่ของพระพุทธเจ้าแต่ก็ไม่เคารพพระพุทธเจ้าไม่เคารพพระธรรมไม่เคารพพระสงฆ์ไม่เคารพศีขามไม่เคารพสมาธิไม่เคารพความไม่ประมาทนะนะชีวิตก็ดำรงอยู่ด้วยความไม่มีความเคารพอะไรเลยมันก็ผู้ที่ไม่มีที่เคารพไม่มีที่ยำเกรงก็อยู่เป็นทุกข์บุคคลผู้ทุศีนก็จะอาเกียนไปด้วยทุกเกลือกกล้วไปด้วยทุกเนี่ยนะเศร้ามองอยู่ด้วยกับกองทุกข์ทั้งในปัจจุบันและ สัมปรายภพต่อไปอันนี้เป็นโทษของความทุศีนข้อที่ข้อที่เท่าไหร่ข้อที่สองอ่ะนะส่วนข้อที่สามที่บอกว่าบุคคลผู้ทุศีนปราศจากศีนเข้าสู่บริษัทใดๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบริษัทกษัตริย์พราหมณ์ครือ่ายบดีสมณะก็เป็นผู้ไม่องอาจขวยเขินพดุสะดุ้ดงผวาว่างั้นเถอะเช่นครือข่ายก็กลัวว่าคนอื่นอาจจะรู้เรื่องกรรมของเราก็ได้ ถ้าเขารู้เรื่องของเรานะีเขาต้องข่มเราแน่นอนเนี่ยนะเขาต้องเอาเราเนี่ยไปดูถูกดูหมิน่นดูแคลนแสดงตัวเราต่อพวกราชสกุลต่อที่ประชุมคนจำนวนมากแ้กลัวเขาจะรู้จักเราว่าเราเป็นใครนะฮะฝ่ายดีเขายังชั่วนะกลัวเขารู้จักเราว่าเรานี่ชั่วขนาดไหนต้นนี้นะก็เวลาเข้าสู่กลุ่มสังคมก็จะประมาทคอตกหน้าความ่มนั่งเอาหัวแม่มือไถพื้น ถึงเป็นคนกล้าก็ไม่อาจจะพูดจาได้ปกตินี่โอ้โเสียงคำรามดังสนั่นไปหมดพอตัวเองไปทําผิดทําพลาดมานี่เงียบเลยนะกลัวคนอื่นจะจับได้กลายเค่ว่าเป็นคนผิดปกติวิสัยไปหมดเนี่ยนะมันก็ไม่มีแต่ความสะดุง้งมีแต่ความวาดภาวะนอนก็ไม่ค่อยหลับเนี่ยนะเครียดก็เครียดนั่นแหละทุกร้อนตลอดมันลำบากใจมากยิ่งถ้าจะต้องเข้าสู่สังคมเข้าสู่สมาคมนี่มีแต่ความหนักใจ ฝ่ายบันปะชิตที่มีความกลัวล่ะทูศีนบันปะชิตทุศีนก็กลัวว่านี่พิสูเป็นอันมากเขาประชมการบางรูปสงสัยจะรู้จักกรรมของเราแน่ถ้าเขารู้จักกรรมของเรานะเขาต้องงดอุโบสถนะเขาไม่ให้เราลงอุโบสถ้วยกับเขานะเขาไม่ให้เราปรวรณากับเขานะเขาจะคร่าให้เราเคลื่อนจากเพศสมณะจึงเข้าไปหาพันจึงเป็นคนกล้าที่ไม่อาจพูดจาได้ เพราะพระพิสุทโธศีนไปแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวกลัวจริงๆเลยนะกลัวเขาขับออกเนี่ยนะกลัวเขาจะรู้แล้วเขาจะขับออกเราจะาหมู่คณะเขาห้ามเราไม่ให้ลงอุโบโสถ ด, ด้วยไม่ภาวณาด้วยนี่ไม่ดีเขาก็ไล่ศึกหาลาเพศไปเลยมีแต่ความเสื่อมมีแต่ความเสียเพราะฉะนั้นบางรูปแต่บางรูปเนี่ยนะที่ทุศีนแล้วทาตัวเป็นทำเหมือนไม่ตัวเองมีศีนดีเปีย้ยอันนี้เครียกว่าเลวโดยอัธยาศัยเรียกว่า เป็นผู้เก้อเขินโดยอัธยาศัยไหมว่ามันสุดๆอ่ะนะมันค่ค่ว่าชั่วจนอะไรนะจนปกติแล้วก็มองความชั่วเป็นว่าไม่ไม่ชั่วมองความทุศีลเหมือนก็ว่าเป็นการรักษาศีลไปแล้วเอาคนเหล่านั้นเป็นประมาณไม่ได้แต่ว่ารวมๆแล้วผู้ที่ทุศีลเนี่ยจะครั่นคล้ามจับผวายิ่งพอพูดถึงคําว่าคนมีศีนเนี่ยมันแทงใจจี๊ดขึ้นมาเลยนะพอพูดถึงคนมีศีลเมื่อไหร่เนี่ยแหมมันทุกแท้เนี่ยนะ แล้วยิ่งต้องไปนั่งคุยกับคนมีศีลด้วยนี่ไหมเขาจะว่าเราหรือเปล่านะเขาจะตำหนิเราหรือเปล่านะเขาจะข่มเราหรือเปล่านะเขาจะเอาเรื่องของเรามาประจานหรือเปล่านะอะไรเงี้ยก็มีแต่ความกลัวส่วนข้อต่อไปโทษของความทุศีนของบุคคลผู้ทุศีนปราศจากศีนลงทำหลงทํ า, าก า, ล, า, กาละหลงทํากาละแปลว่าไม่ใช่ว่าลืมตายแล้วจะไม่ตายนะเผลอลืมตายเลยไม่ตายกันแม่ไม่ใช่หมายความว่า บุคคลผู้ทุศิล์เวลานอนบนเตียงที่ตายก็เป็นสถานที่ที่ยึดถื อ, อเมื่อนอนตายเนี่ยนะตัวเองไปทำอะไรมาก็โผล่มาหมดเนี่ยนะไปฆ่าสัตว์ที่ไหนก็จำได้หมดไปลักทรัพย์ที่ไหนไปคดโกงที่ไหนก็นึกออกหมดเลยเนะไปผิดกาเมที่ไหนบ้างก็จำได้หมดบางคนเนี่ยก็บอกว่าถ้าเคยปกติชีวิตใช้เล่นไก่ชนก็นึกถึงกาลังชนไก่เป็นต้นเน่นะแม้ถ้าจูตีตอนนั้นไปไหนนเนี่ยนะ บางคนก็นึกถึงความชั่วที่ตัวเองเคยไปทำมาเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ทุศีลลืมตาก็เห็นโลกนี้ลืมตาก็เห็นภาพเห็นคนนั้นมาเยี่ยมทีคนนี้จากไปพอหลับตาก็เห็นอบายสีนะพอลืมตาปั๊บเห็นคนมาเยี่ยมนะพอลือเออค่ว่าลืมตาก็เห็นคนมาเยี่ยมเพราะหลับตาแค่นั้นแหละนึกถึงเปรตนึกถึงอสุรกายนึกถึงเดราชานนึกถึงนรกนึกถึงบางคนเนี่ยฝันเห็นแต่สัตว์เดราชานตลอดจะไปไหน หมายความว่าป่วยไม่สบายเป็นไข้หนักคิดถึงแต่ปลาเนี่ยโยม่าจะไปเกิดเป็นสัตว์บกได้ไหม ย, ยากนะถ้าหากว่าก่อนเนี่ยมีแต่ความฟุ้งซ่านนะลึกถึงแต่ความชั่วนึกถึงแต่อบายเป็นต้นจะไปไหนเพราะฉะนั้นคนที่ทุศีลเนี่ยนะหลับตาเห็นโลกหน้าลืมตาเห็นโลกนี้นะั้นก็จะเ ง, งี้ยโโหหลับตาไม่ลงเลยนะยิ่งเครียดจัดยิ่งฟุ้งซ่านมากก็เลยยิ่งไปกันใหญ่เลยนะ พันเท่าที่แม้กระทั่งถามพวกกลุ่มพยาบาลกลุ่มอะไรที่เฝ้าเรียกว่าอะไรนะดูแลประเภทคนเกือบตายทั้งหลายเนี่ยนะว่าคนตายไม่ต้องไปดูแลอะไรสัปเปลือกก็ดูแลให้ก็ก็ดูแลคนเกือบตายเนี่ยนะถ้าถ้าถ้าเกือบตายเขาจะส่งไปโรงพยาบาลไปหาหมอหาพยาบาลถ้าตายไปแล้วเขาจะส่งไปหาสับปเปลืส่งไปวัดนูน่นพันพวกเกือบตายทั้งหลายก็บอกว่าคนที่ตายอย่างมีสติสัมปชัญญะเนี่ยร้อยคนไม่รู้จะมีคนหนึ่งหรือเปล่า นะทั้งทั้งโรงหลายๆแห่งนะที่สอบถามมาแล้วเนี่ยสําหรับคนที่พอเรียนธรรมะบ้างเนี่ยร้อยคนเนี่ยไม่รู้ว่าตายด้วยความสงบสักกี่คนเว้นแต่สงบด้วยยานะสงบด้วยยาซะส่วนใหญ่แต่ว่าที่เหมือนทําท่าจะไปดีเนี่ยหายากมากที่เป็นอย่างเงี้ยเพราะอะไรก็เพราะว่าไม่ได้ทําความดีเอาไว้ทําแต่ความชั่วเมื่อนึกถึงจะนึกถึงความดีได้ยังไงเมื่อนึกก็นึกถึงแต่ความชั่วทั้งหลายความทุศีลก็เป็น นะก็บอกว่าอะไรผู้ทูตถ้าสําหรับภิกษุผู้ทูตศีลล่ะก็เหมือนกับหอกร้อยเล่มเนี่ยแทงที่ศีรษะก็ร้องว่าห้ามทีห้ามทีแล้วก็ตายไปนะบางองค์เนี่ยก็เป็นอย่างนั้นเลยก็มีอยู่องค์หนึ่งคืออดีตเคยเป็นนักมวยเนี่ยนะเป็นพระภิกษุบวชมาหลายสิบปีตอนหลังก็ก่อนจะตายเนี่ยนะเขาเรียกว่าทําท่าเป็นนักมวยตลอดเวลาเลยเนี่ยนะเป็นอย่างนั้นตลอดในที่สุดก็จุติ ต, ตายไปเนี่ยาตายปได้ไปไหนเนาะเนี no. ่ยนะ นั่นก็ถ้าลักษณะนี้เรียกว่าหลงตายตายแบบคนไม่มีสติสัมปชัญญะตายแบบคนที่ไม่มีศีลตายแบบเครียกวอะไรเดินทางแบบนักโทษอ่ะนะไม่มีทรัพย์อะไรติดตัวเลยอ่ะนะเหมือนกับว่าถูกล่ามตรึงดึงไปสู่อาบายหมดแล้วตายแบบคนที่ไร้ทรัพย์เนี่ยนะไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีบุญกุศลระลึกถึงก่อนตายอะไรเลยจะไปไหนส่วนข้อที่5ก็อาบายนี่ก็แน่นอนและสำหรับบุคคลผู้ โทษศีลเ น, นี่ยนะเนพระองค์ก็แสดงต่อไปว่าดูก่อนเครื่อหา บ, บดีทั้งหลายอานิสง์ของความถึงพร้อมด้วยศีลของผู้มีศีลมี5้าประการ5ประการเป็นไนดูก่อนเครื่อหา บ, บดีทั้งหลายบุคคลผู้มีศีลผู้ถึงพร้อมด้วยศีลในโลกนี้ได้ประสบโภคะกองใหญ่เพราะมีความไม่ประมาทเป็นเหตุนี้เป็นอานิสง์ข้อที่หนึ่งของความถึงพร้อมด้วยศีลของบุคคลผู้มีศีลอันผู้มีศีลเนี่ยก็ประสบ โคะกองใหญ่ทั้งหลายก็คือมากไปด้วยโภคะทั้งหลายมากไปด้วยอะไรบ้างเพราตัวเองเป็นผู้ไม่ประมาทฐานแห่งโภกทระซับก็ดีะนะก็มีแต่ความเจริญอย่างเดียวดูก่อนเครือหาบดีทั้งหลายและยังมีข้ออื่นอีกกิติศัพท์อันดีงามของบุคคลผู้มีศีลผู้ถึงพร้อมด้วยศีลกระชอนไปนี้เป็นอันนี้สองข้อที่สองของความถึงพร้อมด้วยศีลของบุคคลผู้มีศีลเพราะฉะนั้นผู้มีศีลเนี่ยจะมีชื่อเสียงเป็นที่ ทุกคนก็รู้กิติศัพท์อันดีงามว่าเขาเนี่ยมีศีลเนี่ยนะแต่ทุกคนก็จะพูดถึงแต่ในแง่ดีพูดด้วยความชื่นชมพูดแล้วก็อนุโมทนาเพราะว่าเป็นผู้มีศีลดูก่อนเครือขาบาดีทั้งหลายและยังมีข้ออื่นอีกบุกคคลผู้มีศีลพูดถึงพร้อมด้วยศีลเข้าสู่บริษัทใดๆเช่นเข้าไปสู่กษัตริย์บริษัทพราหมณ์บริษัทเครืาบาดีบริษัทสมณบบริษัทก็เป็นผู้มะเออเป็นผู้องค์อาจ ไม่ขววยเขินเป็นคนที่สง่าผ่าเผยเพราะเป็นคนที่ไม่มีแผลเนี่ยนะไม่ต้องาวาไม่ต้องสะดุง้งไม่ต้องหวาดไม่ต้องระแวงอะไรทั้งนั้นอันนี้เป็นอ น, นิสงฆ์ข้อที่สามของบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยศีลของบุคคลผู้มีศีลดูก่อนเครือข่บาดีทั้งหลายและยังมีข้ออื่นอีกบุคคลผู้มีศีลถึงพร้อมด้วยศีลเป็นผู้ไม่หลงทำกาละหมายว่าไม่หลงตายเนี่ยนะก็ะคือเพราะอะไรเพราะตัวเอง รักษาศีลมาเป็นอย่างดีระลึกถึงศีลเช่นเคยสมาทานศีลมาบ่อยขนาดไหนปรารถถึงศีลบ่อยไหมก็เหมือนว่าตายแบบคนมีทรัพย์เหมือนกับคนเดินทางไปต่างประเทศไปที่ที่มันดีกว่าวางั้นเถอะ เรียว่าขนรัพย์ไปเพียบเลยนะและสถานที่ตรงนั้นก็ปลอดภัยจริงนั้นไม่หลงตายก็คือแปลว่าไม่ลืมเก็บของไปด้วยนะเก็บอริยรับไปด้วยเก็บศรัทธาไปด้วยเก็บศีลเก็บฮีริโอตตะเก็บสุตะเก็บจาคะเก็บปัญญาเตรียมสเสบียงทางไปสำปรายพบเป็นอย่างดีอันนี้เป็นอ น, นิสงฆ์ข้อที่สของบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยศีลของผู้มีศีลเนี่ยนะก็เรียกว่ารวบรวมอริยรัพย์ได้มีสเสบียงติดตามตัวไปเยอะเนี่ยนะ ข้อห้าดูกรพิสูจน์ทั้งหลายาดูก่รเครหาบ ด, ดีทั้งหลายและยังมีข้ออื่นอีกบุคคลผู้มีศีลผู้ถึงพร้อมด้วยศีลครันร่างกายแตกทายหลังมรณะร่างกายแตกสล า, เ, าเมื่อตายกายสลายจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ทิ้งภาชนะดินแล้วไปอยู่ภาชนะทองคําเป็นต้นนะนะทิ้งเสื้อผ้าค ร, คร่าคร่าทิ้งเรือค่ําคร่าหรือว่าทิ้งร่างกายที่เศร้าหมองก็ไปสู่ร่างกายที่เป็น ทองคําเป็นต้นอันนี้เป็นอั น, นิี้สองข้อที่ห้าของผู้ถึงพร้อมด้วยศีลของบุคคลผู้มีศีลดูก่อนคึ้หา บ, บดีทั้งหลายอันนีสองห้าประการของความถึงพร้อมด้วยศีลของผู้มีศีลเหล่านี้แล ครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ยังอุบาสกทั้งหลายชาวบ้านปา่าตลิคามให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาถรรพให้รื่นเริงด้วยทำมีคาถาก็คือประกาศอริยสัจธรรมประกาศ อ, นนอานิสงส์ของทานจึงก็ประกาศอา น, นิสงส์ของวิหารทานด้วยประกาศอา น, นิสงส์ของศีลด้วยประกาศอานิสงส์ของสมถะและวิปัสสนาผ่านราตรีไปเป็นส่วนมากแล้วก็เรียกว่าฟังธรรมกันยุดึกดื่นมากเลยนะเสร็จแล้วพระองค์ก็ส่งกลับด้วยพระดำรัสว่า ดูก่อนเครือา บ, บดีทั้งหลายราตรีผ่านไปมากแล้วแล่บัดนี้ท่านทั้งหลายจงพิจารณาเห็นการละสมควรเธอก็คือจะเห็นว่าพระพิสุทั้งหลายท่านก็จะได้พักผ่อนบ้างแล้วก็เครือ บ, บดีทั้งหลายชาวบ้านทั้งหลายก็จะได้ไปจัดเตรียมครของทําบุญในวันรุ่งเช้าเป็นต้นบ้างเพราะฉะนั้นอุบาสกชาวบ้านปาตลิคามก็กราบทูลรับแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่ายอย่างนั้นพระเจ้าค้าพากันลุกจากที่นั่ง ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทำประทักษิณแล้วก็พากันกลับไปครั้งนั้นแลเมื่ออุบาสกทั้งหลายชาวบ้านปล่าตเลุกขามกลับไปแล้วไม่นานพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เข้าสุญยาคางก็คือเข้าที่พักผ่อนนั่นเองพองค์ก็พักผ่นโดยการเจริญกรรมฐานอย่างอื่นอัตถะทาที่บายเพิ่มเติมบทว่าพระโหเดวะเนี่ยนะพระติงทำมิยากระทายะ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้เอิบอิ่มแล้วให้เห็นแจ้งแล้วให้สมาทานแล้วให้อาหารแล้วทําให้เข้าถึงความสิ้นและความเสื่อมแล้วเรียกว่าประกาศเห็นแจ้งให้เห็นรู้เห็นข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความตรัสรู้อริยสัจเนี่ยนะก็บอกกล่าวแนะนําแต่งตั้งเปิดเผยให้เขารู้ข้อปฏิบัติเพื่อทําที่สุดแห่งทุก์นั่นเองตลอดราตรีเป็นอันมากแล้วก็ส่งไปด้วยธรรมกถาที่พ้นจากบาลีอย่างอื่นเช่น อนุโมทนากถาการถวายเรือนพักนะพระองค์ก็แสดงอ น, นิสง์ของการให้ที่พักเนี่ยนะเปรียบเหมือนอะไรเหมือนให้อากาศคงคาตกลงมาเหมือนคั้นพึ่งรวงใหญ่ขนาดโยอหนึ่งแล้วให้มหาชนดื่มน้ำพึ่งฉะนั้นทุกคนก็ได้ดื่มน้ำโอชะแห่งธรรมที่เกิดจากการฟังธรรมตลอดคืนเนี่ยนะเสร็จแล้วพระองค์ก็ประทับพักผ่อนก็คือสีหาสายญาตเนี่ยนะ ก็คือพระองค์ต้องการใช้อิริยาบถ ท, ทั้ง4ในอาคารนั้นคือยืนก็ตอนที่เดินเข้าไปนี่เดินเสร็จแล้วก็ยืนแล้วก็นั่งแล้วก็ประทับเสห์สายยาก็คือจะได้ในอิริยาบถ ท, ทั้ง4เพราะฉะนั้นกุศลที่อุบาสกเหล่านั้นเจริญแล้วก็จะได้มีผลมากมีอนิสงส์มากนั่นเองแล้วก็สำหรับพวกเราทั้งหลายก็ฟังทำ ในมหาปริณิพานสูตรวันนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้พันก็ด้วยอ น, นิสงค์แห่งการฟังธรรมนี้ขอเราทั้งหลายจงเจริญงอกงามในพระศาสนาของพระศาสดาเห็นอ น, นิสงค์ของการรักษาศีลเห็นโทษของความทุศีลขอศีลและพิสุทธิจิตวิสุทธิ์เป็นต้นที่เราทั้งหลายเจริญแล้วจงเป็นไปเพื่อทำที่สุดแห่งทุกตรัสรู้อริยสัจตามพระพุทธเจ้าโดยทั่วกันวันนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้